มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกหยุดวันนักขัดตเลิกสอบถามโทร 02-592-1991 สถานสุขภาพความงามบววสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลทัญบุรี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 สร้างสรรและผลิตปรายการโดย ม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีพร้อมเสียสละจิตอาซาเราภาคภูมิใจ ร้องที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำาดยสองมือและจิตใจดิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใตบวกแรงใจและ มแม่เป็นพลังนำพาสู่ความสุข อาสาเราพาพุงใจ ครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสานะครับกลับมาพบกับผมครับนัทพลดีอุดครับทุกคืนวันสุขแบบนี้นะฮะกับรายการสุขอาสานะครับรายการที่จะนําเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานอาสากิจกรรมอาสาต่างๆนะครับนำมาแช่นํามาชนรู้ฟังไปร่วมกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับงานอาสานะครับสัปดาห์นี้นะครับผมก็มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานอาสาต่างๆมาฝากคุผู้ฟังเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับดูวันนี้นะฮะในช่วงแรกคิดอาสานะครับคุณผู้ฟังผมนําเรื่องราวของ จิตอาสา ในศาลสงเคราะห์เด็กนะครับนางฟ้าเติมพลังผัสสะจัรหนึ0 0พวันนะครับเป็นกิจกรรมของสสสนะหรือว่าสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับโด้วยสสสครับคุณผู้ฟังเดินหน้าหนุนอาสาสร้างสุขส่งเสริมคนรุ่นใหม่เป็นจิตอาสานะครับร่วมเติมพลังผัสสะจย์สร้างภูมิคุ้มกันกับเด็กในศาลสงเคราะห์นะครับให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยย้ําเด็กหนึ่งคนต้องมีแม่เป็นผู้ใหญ่ในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการโดยเฉพาะ1000วันแรกของชีวิตนะครับที่มีความหมาย และสำคัญอย่างยิ่งด้วยเด็กที่มีพี่อาสาจะพัฒนาการดีขึ้นทั้งกายภาพและพฤติกรรมทางอารมณ์นะครับด้วยเมื่อเร็วๆนี้ครับคุณผู้ฟังทางสารสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมูลทธิสุขภาพไทยภายใต้การสนับสนุนของสํงานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสได้จัดกิจกรรมวันคนอาสาสร้างสุขและเปิดบ้านเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้นะครับเพื่อเป็น การส่งเสริมจิตอาสาและการจุดประกายคนรุ่นใหม่ร่วมส่งมอบความสุขและส่งเสริมพัฒ น, นาการด้านต่างๆให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในสารสงเคราะห์นะครับโดยในงานมีเวทีเสวนาความรู้พร้อมมอบเหรียญยกย่องและเป็นกําลังใจให้กับอาสาสมัครสร้างสุขนะครับโดยนายวีรพงศ์เกียรติสินยศนะครับเลขาธิการมูลที่สุขภาพไทยกล่าวนะครับว่าทางมูลที่สุขภาพไทยสหไทยมูลทธิและมูลที่เครือข่ายพุทธิกานะครับได้เริ่มการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครในสารสงเคราะห์ เพื่อมอบความสุขและส่งเสริมพัฒนานการด้านต่างๆให้กับเด็กที่ขาดโอกาสโดยริเริ่มที่ศาลสงเคราะห์เด็กอ่อนอบ้านปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนท บ, บุรีเป็นแห่งแรกด้วยการนําความรู้ด้านการนวดสัมผัสเด็กแรกเกิดถึงสองขวบมาอบรมให้อาสาสมัครนะครับจากนั้นได้ขยายงานอาสาสมัครไปยังศาลสงเคราะห์ อ, อื่นๆผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งตลอด14ปีที่ผ่านมานะครับมีอาสาสมัครผัดเปลี่ยนมาดูแลเด็กมากกว่า 2,000 คนมีทั้งอาสาสมัครระยะสั้นระยะยาวนะฮะ บ, บางคนอยู่นานถึง10 และนอกจากการติดตามผลทั้งเด็กเล็กเด็กโตและเด็กพิเศษที่มีพี่อาสาสมัครนะฮะก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งกายภาพและพฤติกรรมทางอารมณ์นะครับด้านนางอิรินทิพย์ภาคสีสมบัตินะครับุ่งในการกองทุนส่งเสริมการพัฒน า, นา พัฒนาและสวัสดิการเด็กนะครับเยาวชนและครอบครัวกรุมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวนะครับว่าเด็กในสารสงเคราะห์ต้องการบรรยากาศครอบครัวแม้ระบบในสารสงเคราะห์น้องๆจะได้เตรียมทุกอย่างไว้อย่างเช่นอาหารเสื้อผ้าแต่เด็กๆยังต้องการคนสอนการบ้านและยังต้องการการเตรียมพร้อมด้านอื่นๆเพื่อไปสู่สังคมซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะดูแลเด็กๆได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเด็กในช่วง1000วันถือเป็นวัยทองคําของชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับด้านนางสาว สริยาสุกจันทร์ผู้ช่วยผู้ปกครองบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดกล่าวเสริมนะครับว่าศูนย์การเรียนรู้อาสาสมัครดูแลเด็กในสารสงเคราะห์ไม่ได้มีเฉพาะอาสาสมัครมาดูแลเด็กเท่านั้นนะครับยังมีอาสาสมัครล้างของเล่นอาสาสมัครซ่อมจักรยานซึ่งมีกระบวนการการคัดกรองผู้มาสมัครมีการบันทึกประวัติอบรมให้ความรู้เพื่อให้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กด้วยการดูแลเด็ก 3-5 ขวบนะครับ จะให้อาสาสมัครพาไปอาบน้ําป้อนข้าวแต่งตัวเน้นให้เด็กทํากิจกรรมด้วยตัวเองรวมทั้งพาไปทัศนจร น, นอกบ้านช่วยให้เด็กได้มีความรู้จักสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนนางสาวนัทยาบุญพักดีผู้อำนวยการสรํานักงานสนับสนุนสุขภาว ะ, วะเด็กเยาวชนและครอบครัวสส ส, สกล่าวนะครับว่าการทํางานของอาสาสมัครมองภาพใหญ่นั่นก็คือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพสู่สังคมโดยปัจจุบันตัวเลขของเด็กที่มาสู่สารสงเคราะห์เฉลี่ยปีละห0 0พถึงหกพัคนนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้น เพราะอัตราการเกิดน้อยลงแต่มีปัญหาใหม่เด็กต้องถูกส่งมาจากสารสงเคราะห์เพราะครอบครัวยากจนเพิ่มมากขึ้นแสดงถึงความเหลื่อมล้ําในสังคมนะครับด้วยอย่างไรก็ตามครับการทํางานหัสมัคร10ปีของสะสะ ส, ะสะได้ถอดบทเรียนการทํางานจิตอาสาที่ต้องทํางานเป็นทีมและมีเป้าหมายร่วมกันโดยชัดเจนนะครับแล้วว่าได้ผลดีเดินหน้าต่อไปเน้นในความสําคัญของ 1,000 วันแรกของชีวิตเทียบกับการตอกเสาเข็มให้กับชีวิตนะครับ ด้วยจากผลการศึกษานานาชาติระบุนะครับว่าช่วง 1,000 วันของชีวิตเด็กต้องมีแม่เป็นผู้ใหญ่หนึ่งคนในชีวิตจริงและจะเป็นใครก็ตามที่มาพร้อมกับการกระตุ้นพัฒนาการนะครับเด็กจะรู้สึกว่ า, าได้รับรู้ถึงความรักที่มั่นคงชีวิตจะต่อยอดได้แต่ถ้าแม่มาไม่ต่อเนื่องก็จะทำให้เด็กโตขึ้นเด็กไม่มีความมั่นใจมีความพร่องกลายเป็นหลุมดาของชีวิตเหล่านี้ถือเป็นความ ถือเป็นเรื่องของเดเบสเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับทำให้เมื่ออายุ18ปีมีความเป็นผู้ใหญ่ที่บริบูรณ์นะครับนี่คือคํากล่าวของนางสาวนัทยาบุญภักดีผู้มนุยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาะวะเด็กเยาวชนและครอบครัวของสอส ส, สนะครับสำหรับมุมมองของอาสาสมัครบ้างครับคุณผู้ฟังอย่างคุณมานาสนานคงคาหลวงหรือว่าคุณจูนวัย40ปีที่ทำงานเป็นพี่เลี้ยงบ้านเด็กนนทภูรีมานานถึง6ปีนะฮะ บ, บอกนะครับว่าปกติทํางานประจําอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับทุกเสาร์อาทิตย์จะกลับมาบ้านที่จังหวัด น, นทู และจะมาเป็นอาสาสมัครที่บ้านนนทภูมิซึ่งตัวเองเรียนจบจิตวิทยายเคมีมาจึงอยากนาความรู้มาช่วยเหลือเด็กๆ เ, เพราะบางคนอายุเยอะแต่ร่างกายเขาอาจจะเหมือนเด็กบางคนแขนขารีบขณะที่บางคนมีโอกาสได้ไปเรียนข้างนอกก็จะช่วยติวให้เขาสอนเรื่องการเข้าสังคมให้เขาเพราะน้องๆที่อยู่ในบ้านเคยเป็นผู้รับ แต่ไม่ได้เรียนรู้จักการให้นะครับคนที่มาเป็นจิตอาสามีหลากหลายอาชีพครับคุณผู้ฟังมีทั้งครูมีทั้งพยาบาล น, นะฮะหรือว่าหลากหลายอาชีพที่เดินเข้ามาตรงนี้แต่ว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการอยากเห็นเด็กๆ เ, เนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับมีรอยยิ้มที่สดใสมีแววตาแห่งความสุขนะครับ ซึ่งความสุขเหล่านี้จะทําให้เราเองเนี่ยพลอยสุขใจไปด้วยและทิ้งชีวิตเครียดๆลงได้นะครับและอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ได้จากการเป็นจิตอาสานั่นก็คือการฝึกความอดทนอดกลั้นของตัวเองนะครับเพราะการดูแลเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายประสบการณ์เหล่านี้จะสอนให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปได้เหมือนกันนะครับนี่คือคํากล่าวของคุณมรณะนั น, นหนึ่งในจิตอาสาที่ได้มาทํางานที่บ้านนนทภูมิมานานถึง6ปีเลยทีเดียวนะครับ คุณฝางครับพลังของการให้จากการเป็นอาสาสมัครจะช่วยกรอมเกลีคนอีกกลุ่มหนึ่งในประเทศที่ขาดโอกาสทําให้เขารู้สึกลึกซึ้งกับคําว่ารักและความปลอดภัยอันจะส่งผลในระยะยาวเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับขอบคุณเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกับสสสนะครับคุณฝังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับช่วงของคนอาสานะครับวันนี้คนอาสามีเรื่องราวของ กิจกรรมต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเป็นกิจกรรมจากโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปรนะครับกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าครับศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMU TT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลทัญบุรีเปิดสวนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 กลับมาในช่วงคนอาสาครับวันนี้คนอาสาครับผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับซึ่ง3ามกิจกรรมที่จะนํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมของโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปรนะครับกิจกรรมต่างๆหลากหลายจังหวัดที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของคนอาสาในวันนี้นะครับกิจกรรมแรกครับที่จังหวัดเพชรชบุรีครับคุณผู้ฟั ง, ฟงในการเพิ่มศักยภาพจิตอาสาพระราชทาน904วปรรประเภทภัยพิบัติรุ่นที่2นะครับเสริมสร้าง ความสามารถแก่จิตอาสาภายพิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและเกิดการาปลอดภัยที่ สูงที่สุดนะครับโดยเมื่อวันที่28สิงหาคม2องพนะครับที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับนายสมศักดิ์เจริญไพบุญประหลัดจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสาพระราชทาน904วอปรประเภทภัยพิบัติจังหวัดเพชรบุรีรุ่นที่2นะครับร่วมด้วยนายศรีธรรมราชแก้วนะครับนายอำเภอบ้านแหลมหัวหน้าส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีและหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอา อำเภอบ้านแหลมและอำเภอเขาย้อยร่ว ม, ว ม, วมโครงการจำนวน200คนนะครับโดยนายวิรัตเพงจันวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษรักษาราชกา ร, การกาแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรนเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีเก่านะครับว่าที่จังหวัดเพชรบุรีเองก็ได้จัดฝึกโครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสาพระจทราน904วป ร, รประเภทภัยพิบัติ จังหวัดเพชรบุรีดําเนินการทั้งหมดจํานวน4รุ่นรุ่นละ200คนเป้าหมายเข้ารับฝึกกันฝึกอบรมจํานวน800คนนะครับดยการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพจิตอาสา พ, พระราชทาน904วปรรประเภทภัพยพิบัติจังหวัดเพชรชบุรีรุ่นที่2เป้าหมายจิตอาสาในเขตอําเภอบ้านแหลมและอําเภอเขาย้อยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้สร้างเสริมความสามารถแก่จิตอาสาภัยพิบัติ ให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและเกิดความปลอดภัยสูงสุดและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและสามารถลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้การอบรมประกอบไปด้วยการทํำ CPR ช่วยการฟื้นคืนชีพการดับเพลิงเบื้องต้นเครื่องมือตัดทางเครื่องจักรในการกู้ภัยรวมถึงเงื่อนเชือกช่วยผู้ประสบภัยทางน้ําและการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านจราจรซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพแก่ การช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากภัยพิบัติได้นะครับและโครงการที่สองนะครับเป็นโครงการที่จังหวัดประทุมธานีครับคุณผู้ฟังโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปรอเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมพัฒนาสารหลักเมืองและถนนพัฒนาสัมพันธ์จังหวัดประทุมธานีนะครับเมื่อวันที่28สิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังที่หน้าร้านทองสุวรรณพัฒนาตาบลบาง ออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชธานโครงการจิตอาสาพระชธาน904วปรเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยส่งมุ่งมั่นให้ ประสนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนนะครับเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน4ีสถาบันหลักของชาตินั่นก็คือสถาบันชาติสถาบันาศาสานส า, าสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยมีในผลดำรงธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศารหลักเมืองและถนนพัฒนาสัมพันธ์ด้วยแบ่งกิจกรรมออกเป็น5้าบล็อกนะครับเพื่อ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานต่างๆตลอดจนภาคประชาชนจิตอาสาในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยในอาวุธวิเชียนฉายในายอำเภอเมืองประทุมธานีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมครับคุณผู้ฟังเป็นกิจกรรม จากจังหวัดราชบุรีนะครับโดยกรมการอาหารช่างจัดกิจกรรมโครงการกองทับบกอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสารพระราชปณิธานที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับโดยกรมการอาหารช่างจัดกิจกรรมโครงการกองทับบกอาสาปูกป่าสร้างฝายสืบสารพระราชปณิธานประจําปี2องพเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกฐานที่เบศดมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพื่อเป็นการฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีพลโทอนุสอนปัญญบณ์เจ้ากรมการทหาร ช่างนะครับเป็นประธานเปิดที่บริเวณอ่างเก็บน้ําบ้านตะโกร่างหมู่8ตําบลส่วนพึ่งอําเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งภายในงานมีนายชยาวุฒิจันทะนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายทหารส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมการปลูกต้นมะข่าต้นพยุงเพื่อทดแทนป่าไม้เดิมจํานวน 5,000 ต้นในพื้นที่30ไลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการดําเนินการสร้างฝายชะลอน้ําขนาดเล็ก77ฝายพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยทหารส่วนราชการและ ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาก้าไม้ที่ปลูกโดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือจากภาครัฐประชาชนในการอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไปครับคุณฟังครับนี่คือ3กิจกรรมดีๆที่ผมนํามาฝากคุณฟังในช่วงของคนอาสาในวันนี้นะครับซึ่งคนอาสาวันนี้นําเรื่องราวของโครงการต่างๆในเรื่องราวของจิตอาสาพระราชทาน904วปรรนะครับที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอด ปีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็น3โครงการตัวอย่างที่เรานํามาบอกต่อในช่วงของคนอาสาในวันนี้นะครับคุณฝังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันกันกนกบเรื่องราวของภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้ภารกิจจิตอาสามีเรื่องราวของโครงการ Payit For อร์เนะครับยิ่งให้ยิ่งสุขใจส่งต่อโอกาสเพื่อผู้บริการโรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาธนะครับติดตามได้ในช่วงหน้าครับ สถานสุขภาพความงามบวดสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรี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 กลับมากับช่วงนี้ครับกับช่วงภารกิจจิตอาสานะครับภารกิจจิตอาสาในวันนี้นําเรื่องราวนะครับเป็นกิจกรรมเปอิสต์ฟอร์เนะครับซึ่งยิ่งให้ยิ่งสุขใจส่งต่อโอกาสเพื่อผู้พิการโรงเรียนศึกษาพิเศษชั ย, ชยนาธนะครับโครงการอ า, าสาศิลป์ร่วมกับป้านศิลปะเอกชัยวันนแก้วบริษัทวิสกูประ a ทศไทยจำกัดและบริษัท A อไลท์อินฟินิตประเทศไทยจำกัดนะครับขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม p a y ิสต์ฟอร์เนะครับยิ่งให้ยิ่งสุขใจเพื่อสนับสนุน การจัดหาซื้ออุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬา หรือสิ่งของหรือสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆให้แก่น้องๆผู้พิการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทจังหวัดชัยนาทนำโดยคุณเอกชัยวรรณะแก้วศิลปินนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะครับโรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาทถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวและพิการซ้ําซ้อนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีเด็กพิเศษกว่า143คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาสฐานะทางบ้านยากจ ผู้สนใจร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมหรือร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีเอกชัยวันนะแก้วเลขที่บัญชี085ถึง2ถึง6 3 3 3 2ถึง8หรือบริจาคสิ่งของได้ที่บ้านศิลปะเอกชัยวันนแก้วเลขที่421ทั48 แขวงบางขุนสีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะครับรหัสไปรษณีย์หนึ่งตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายน2562หรือใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2นย์ส8งสี่ 85, ครับคุณผู้ฟังครับและนี่คือเรื่องราวกิจกรรมที่นํามาฝากในช่วงภารกิจจิตอาสานะครับและเราก็เดินทางมาครบทั้ง3ช่วงของรายการแล้วทั้งคิดอาสาคุอาสารวมถึงกิจกรรม ร่วมถึงภารกิจจิตอาสานะครับที่จะนํากิจกรรมดีๆมาฝากคุณฟังมาชวนคุณ้ฟังไปร่วมทํากิจกรรมดีๆมาร่วมทําเป็นเป็นอาสาสมัครมาร่วมทํากิจกรรมต่างๆในช่วงของภารกิจจิตอาสานะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังผมและทีมงานต้องขอตัวราไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรี